วันนี้ก็เป็นวันที่สามของเรื่องพระคาถาอมนต์องอาจารยดอาาย่าก่อนทีู่อื่นก็นนอนนดดนอขอเล่าเรื่องหมดเลยสักหน่อย ด, ดีไหมครูสาวเ <c oughs> ือะไรเม่คืนนี้ตั้งใจไว้ใจที่ไรนะจะไม่ได้เจีอะไรต้องเล่รื่อนี้เหมเมื <c oughs> ่คืนนี้มีนนเวลาไ้อไหแล้วว่า พอมาถ่ายก็ผ่านไปพอมาฟุ่มไปตัวไม่รู้แก่ไม่ใช่ควรรา้ะเดียวพอมาถ่ายกลับมาถึงเวลาน้อยก็มาล่วงเลยเรื่องกับเวลาแต่ความเียงหลายเดือนมาแล้วจะมาไม่ยูกจิตใจธรดาถ้าพูด้วยก็เอะร่างเงี้หลายเดือนก็ปวรมาก แต่แ้เดินมาในสภาพที่อยู่ขึ้ไปมอมันเคยมีรู้สึกมีรำวังใจนิดห่อยมีกำลังนิดต่อ ม, มัออ น, มอนนั่งมีเวลาได้สองนาทีอ่ะแค่หมดเวลาก็นึกถึงคนที่อยู่ข้างรอกยิงข่าวว่ามีคนยืนหนือข้างนอกนะยืนยาวเดียเ่ยวก็วคิดไกลจว่าคนที่ต้องมางยามนืนประจเนี่ยบนี้ถ้ากำลมีไม่ดีจรงไม่มาไม่ดีก็ได้ ห่ยืนเมื่อยองลงทีนี้ต่ำใช่ไหมไม่ประโดดขึ้นย่าก็ลองดูคนที่ยืนก็มีบารมีแข็งแกร่งขนาดไหนที่มายืนยได้ก็ดูไปพักตกใจก็เห็นสะกอดไรเงี้วสะพานใก้าวเป็สะพอดไรมันเยอะที่ยืน่ต้านพะเวลามันน้อยแล้วหันมาดูค น, คน ท, ท่านบุญที่ก็ไหน แต่เรานยักษัเหมือนกันหมดเยอะจริงๆคอยจะดูท่านล่าเวลาเราดีเองนั่นจริงๆนะพอจะเห็นว่าดูทานเล่าเห็นแสงซึ่งราเแื่อกลางวันแต่ว่าใจเห็นใจไอ้แสงไม่จากใจกอมันดีหมดเวลาตลอดวันนี้ใครใหญ่ดูว่าต่างกก่อน แต่พัเราพักน้อยแนวนะก็เป็นว่าบางคืนที่แนะนาเรื่องท่าตีแพะเราต้องถือว่านำแนะนำอ่อนไปท่านควรเลื่อนจิตใจกาลังใจเราขึ้นง่ายกว่านั้นสว่างมากลอกเหมือนลูกโลควรไม่ใช่เหมือนตะก่อนไปนะลโตรงนั้นสว่างราบรื่ะ ยังรู้ถึงว่าออกเขาไม่มาเป็นแท่งแข็งแบบที่ทุกี่มันยู่ได้แล้วก็ไปห่วงบนแท่งบนแท่งบนเดือดไปเดือไปกับเขาอีกพอเรียนรู้ท่านแ้วมันหมดเวลาบางทีแม่เวลาบางอย่างหมดหมดยิงเตี้ยที่ที่มาเอาเวลาก็หมดเวลาวันนี้ก็ใหม่หม่ขอแนะนาอก่าอ่นทั้งหมด แารแนะนำท่านเราก็สึกที่มันรุกรานเท่านั้นถ้ากราแยกโดนที่มาใหม่ยหญ่ๆลงนะคนึ้นมาใหม่จะคิดว่าเราตู้คนเก่าไม่ได้จะไม่แน่นอนนะเก่าไรทางก็ไม่เป็นไรถ้าเ่าเวลาจะถึงหนังใหญ่หน่อยเก่าไรทางที่เก่าโดนที่แพ้อะไรไม่มีก็เปลว่าถ้าเราแยกโดนใหม่ๆ ต้องมาว่าใครจะเรียงเราฐานเราต้องการในความทุกข์ทุกหมยแต่ไหทุกหมยแต่ความเกิดความเกิดเป็นทุกข์เมื่อเกิดมาแล้วก็มีความแก่เป็นทุกข์ความป่วยไข้ในสบายเป็นทุกข์การประกอบปีใกล้งานต่างๆมันเป็นดเป็นทุกข์ความรักษาไม่ไปแสมหวังเป็นทุกข์ ความเข้าใจเรานักอ่อนเข้ใจเรื่องความตายต้องมันทุกข์าลงความว่าเราเกิดมาเป็นคนเราทุกข์มาก้วก็ทุกเดือนร้อยกว่าใบจะปูนทำไมปูนคือมีเนือรบเป็นตะเหีือไฟตะปีขาให้เป็นทุกข์มากกว่าเยอะถ้าไราเกิดเป็นเดือายเปนนากฟ้าเป็นลมอันนี้หมดทุกแต่เขาไม่เป็นทุกข์แต่ว่าเขาคืมีความกลโลกชาว ทั้งหมดักษณบารืปรากฏมาเกิดใหม่ตัวอย่างก็คือมวลายกตัอะไรที่นั่งอยู่นี้ทั้งหมดเพื่อเกิดเป็นเดวตามาบ้าเหล่าตาเม่าบ้าเป็นภูมิเม่าบเยีะยหลายรอบไปจะรู้จากทุกได้เกิดเป็นเดวตาเหล่าพายเยอะไอตัวทุกตัวนี่อะไรน่สักอรนี่สักตัวที่หนึ่งขังสำคัญมากในการในทุกตระสายสินสมาวิปญาม เป็ย <g beers> ่างนี year, ้ได้ยังไงก็อยเรื Instead, ่องต้นใครทุกคนมีสิไม่พึงขาดสมาิขึ้นกับสถ้าสินไม่พิก็ไม่สมาธิถ้าสมาธิจังิตก็ม่ปัญญาเพื่อเจ้าสาอย่างนี้เขาบรรดาแยกโยมบริเวณศาคนาต้องยานุาที้บไิ้เทธิ์ั้งเลยถ้าสินไม่พอสมาธิจึง ถ้นคิ่นทำติดใจเกิดเกิดเมื่อในอมสมาธิาป็ญญาต้องเกิดยากไปหน่อย น, นะยากไปล้าต้องฝึกนั่นดับแรก่องที่สมาธิจะทำให้มาได้เพราะทุกคนน้กถึงเราไม่ใจเข้าออกรา้ายใจเข้ารู้เหมือนใจเข้าให้ใจออกรู้เหยื่อให้ใจออกถ้าภาวนาตาม่วรภาวนานไม่จากัด ใครท่องแบบไหนวนะ่าตานั้นนี่เหมืเหมือนกันถ้ายากิโยมที่ในเรื่องสมายก่อนนะท่านธรรมราพุธโอให้ใจเข้าในหลวงพุทธเจ้าอุกท่านการถามว่าธรรมราพุธโอได้เป็นไงต่อไปต้องกาวว่าไม่เป็นไททาราที่เป็นสุดคาว่าพุธโอเป็นนาขององค์พระเดชพระสัมมาแลพระพุทธเจ้าใครที่จะเรียกพุทธโอเป็นปกติแต่ทาไมเขาเอาเวลาว่า เวาทงานอาจจะไม่ได้ถึงเวลาคุยไปลาจะไม่ได้ถึงอะไรเลเราว่าจิดเชื้อเชิงพุทเพุทธเจ้าพุทธตงค์การถึงต้องพุทมว่าจะแคเวลาเล็กน้อยแต่ก็หมดเรองตายในเวลานั้นก็ไปสดรทีอย่างตัวอย่างนี้ว่ากรดกรีที่้าคนเราไวลาไปเที่ยวท้ามีคนนี้แต่คนนั้นท่านรับดพลับตัวมา ท่านเคยไหว้ร่วนไหว้พระสุชาติไปเคยไปบาปไป่เค ย, ค ย, เค ย, เคยงปรเทศพ่อเป็นร า, ามเป็นรามเลี้ยสอนรามแน็นใจองค์รามแต่เวลาจะตายจริงๆพ่อแม่ช่วยไม่ได้ถ้าแต่านกับพ่อแม่มาช่วยเราไม่ได้ถ้ า, าถึา ง, งจะเป็นหาเป็นสุนัขมาช่วยเราไมได้เขาเลยนึกว่าองค์เเป็นรอมใจถว่าสนนกโใจด ท, ท่านพเป็นเราใคร พืถึงเมื่อวุฒิเจ้าเวลาัหนไอ้ไม่ช่วยหายป่นย็่วยทีตายเวลาได้นมดเลยเมื่อตายเวลาได้ใครที่ถงเรื่อวุฒิเจ้าก็ไปเกิดนสวรรค์ได้ดาวเลียวหรือสี่กโลกในวิวานทองคาไม่ที่อยู่ในนองบ้าเนือพันาววิวานเอนการนึกราาวุฒโทแยกดวงพระตัวจับที่อย่างน้อยนะคำเรื่องนนีเดียวเ้อไปสวรรค์ได้ ถ้า ต, ต่อมาทั้งๆี่กลังจะเดียวดายอยู่ตอนเทศจาพผู้เจ้าเองบอยู่เป็นมาประดาไปไอ้ น, นี่อย่างเลยนะเมื่อ า, าโบราณวัถุก็มีบิธีผ่านได้ถ้าเราเป็นมาประดาฟังก็ผ่านได้แน่นอนอต่ที่จริงผมจะไปเรนพูดววันนี้เป็นวันสุดท้ายเขอพดรวมรวม สึงการบรรลุหรู้ว่าถ้าดีโดยใจในวัตถิเมื่คืนนี้เทานั้สบายมากแต่ไม่ใช่ในจริงถแสงสว่างมันพุ่งลงไปนะ้ไปตามลมอากาศของันก็รู้ถึงไปิสินใจแล้วเป็นหน้าใหม่นะเป็นหน้าถ้าใครอยากจะรู้ว่าเดียวกันนั้ก็ลงดูดูานเลยมือมไปสามารถจะรู้ได้บนยี่เดนไป เ้ารู <ST what> ้ได้เราเติมไปสองอันก็เป็นบวชตอนนี้จ้าคุณตอนรรุความเป็นพระสสดาบันตัดโยนดนสารยางคือหนึ่งตั้งในี้เองจงไม่ดีดิารจางเสี้ยวภาษาพรามากสัแ่นี้เองเขาบอกสดาบันคนดาถึงนาคาในวันไม่เหมือนทหารนะเพราะว่านาคา เพระว่าเาเขาจะไม่พูดามเพายฉะนั้นกาีวัตถุถ้าบรเจาสัตว่ามีปัญญาเล็กน้อยมีสมาธิเล็กน้อยจะถึงไริสุตัวายใจที่ผิดตัวนี้ก็ตัดทึ้นความตายไอได้ลงรี่ว่าชีวิตเท่านี้เกิดตอนนี้มันต้องตายคือม่ต้องตายแน่นอนจะไาเดรือจาต้ังาหรือเ็ตายจะตายที่สองที่ดีา ตัดความสงสัยนความดีของพระเจ้าประานพระอริยสงฆ์ยอมรับต่อถือพระเจ้าก็ะทานระอริยงความตืนใจในการนีสามีถิ่นไม่นนีเยยอดนะจง่ายๆเลยไมว่าท่านดูใจต้อสถอขึ้นมาเช้านึถึงความตายที่เราวันนี้อาจจะตายก็ได้ถ้าตายแล้วก็ไปเดินไปอะไรก เป็นยอดักตัถือรก็จะจกระดางได้อายะตรงเรจะตรงถึงให้ไหวถุกถ้าองทรงอย่างนี้ทุกวปัญาถถือว่าท่านนั้นเป็นบรรทุกจ้าปัญอาทง่ายนะอำง่ายการลงถือเสื่อถ้านจะเห็นแสงมือคืนเนี่ยไม่กล้าเลยแน่กับผมตอนประดับที่สองพระเลยทาครามเก็ตัดไปยอดสามไม่กัน ขึ้นหนึ่งางกายและที่สี่มีความรู้สึกไหวชีวิตตังกายสองไม่สงใจยในควา ม, มรู้ว่าแก้วธรรมะอริยงสงฆ์สามมีสิ่งใหม่สดเพราะว่าการนะ ท, ท่านนะถ้ากานเป็นพระใาตเราเองต้องเป็นก้เป็นกรรมฐานหลังจากนั้นก็มีอารมณ์เห็นโทษครื่งความโลภไอความโลภกับความปัญ่านี่มันไม่เหมือนกันนะ แต่เงนของเขายก็ะเขาโรคก็ไม่ได้เขารวยแล้วเขาทำมาให้กินแต่เไม่ะมาในชีวิตไม่ละมาดในคามเป็นอยู่เ้าก็หาเพื่อไว้ถืองรมาไม่ใช่ลาโรคหมายถึงว่าตายอยากใจเย้่งเขาายอยาก่โกงเ้าไ่ต้ออยากจะรักจะโอนไปต้องูความโรถ้าเขามีความะเยนทะนเพียนั้นเป็นสมายชีว่เขาจะรวยใครรวยันดไหนก็าต้องทำมาให้เป็นครรมา แต่จริงของเก่าที่เนีเยอหมดมันก็จะมีความเป็นทุกข์หนึ่งเห็นโทษขงความโลกความโลภไปนี้แกชั้นตั้งแตรบุคคนึงคนนี้โกเขาคนหนึ่งเนเจ้าปัดโนเมื่อเรามีกระจุกมากเราก็มีทุกข์มากเราไม่กระจุกน้อยเรามีทุกข์น้อยเราไม่มีกระจุกเลยเราไม่มีควากเปความทุกข์สองเห็นทงคามโก แต่โสดาบันจะมีความโกลเดลตาแต่ไม่จองนั้นจองสายขาเนี่ยเพราะว่าระสัญชาตธรรมนี้โลกทางความปวดและอ่อนลงความโรคอ่อนลงความปวดก่อนลงแต่มันทางความโกลดอชาการทํามนี้ก็มีก็ไม่ก็ไม่หายดีเหมือนปกเรื่องค์แห่งความรักไปรักตัวเองรักคนอื่นเท่ากับเรา ก็นำความสสานต่อมนจะเกื้คุลนทั้โลกอมีความสุา่สยเสทําำได้ตามมรดกตามมีติดอ่อนโยนไม่ใช่สัญหาใครได้มีด้วยทีเราขาว่าใช่ตัที่เราขาว่าสช่หมายวว่าคนใดชอบธรรมก็จะมีสิทธิ์อยู่ก็ไดเราใช้ไปทำแต่เขาถ้าเขาไม่รู้ เมื่อไรติดตรงตรงไหนที่มันจะไปปกติมันก็เฟื่บ้างในร้างเราธรมชาติไม่ตัดกันเลยหมดถ้าติดคาถไม่ให้ใส่ความโกรธเลยหมดแม่แช่บ้านทาวโลกบ้นชาวทุกบ้านเลยวันนี้เราจะมีความรักแต่ควรจะต้งโลกตราจะไปดีที่ดีแล้วควรจะต้งโลกจะการี่สองถ้าใครมีความสุขถ้าไม่เคยใช้เครื่องมือตัองก็จะเอยูาม การศึกษาจะใคไดู้ีเราให้การที่แเเราละคนยินดีด้วยการที่สิ่งจะใครเสื่องกำมีความทุกข์เราได้กำเติมถ้าเราช่วยได้ไรจะช่วยเพิ่มได้เราจะมาเผยเสืรอมเติมไอ้ที่แกนี่สมยไอ้ความโกรธมันก็มันท้าเราไม่แค่มันทนะแต่ต่อไปความหลงถ้าโสดาไปเราเห็นการธรรมยามิปังหลง ถ้าโสดาบันเอาจะหลงมากกว่าพระเรธรแต่ความหลงพรท่านไม่มีโทษคือไม่เรื่องความตายท่านก็อยากนาวิสาขามาอวตาริษาเึื่องาาแต่ง ต, ตัวนากฆ่าทั้งสองคนมีคนยกเตะสามคนยกนำวท้าขามคนหนึ่งนำมุนดาสนนนีค น, น, น, คนหนึงชาวบ้านบางค น, อ น, น, อนตอนนั้นยกไปสิแต่เรื่องแต่วา่าความหลพระท่านโสดาบ ถ้าไม่ดูความตายได้หลงกันไอ้ผลงานนี่มันไม่ถูกโคษการกราทความหลงความเฉลี่ยารมนี้ก็คือชนะขันฆ่ความเกิความแตกความป่วยแม่เป็นควได้สบายความทุกข์ใจความรักควาย่อใจความตายไดที่สุดให้พิ่จะนาการความเมียร์คนเราเกิดมาแล้วเป็นทุกข์กเป็นความทุกคือความแก่ก็ตรงทีว so ิสุทมีความป่วย ถ้ามีใจใกล้ๆกันรักกันจะือความใจที่สุดขี้ใ่แต่เราการท้่รกกหลายคนไม่ไม่เรื่องเลยเาอป็นของชาติม้อใหญ่เรื่่างกายว่าภายในเรารู้ว่ามันต้อบถูกดไหนอุจาระันต้องถูกกำหนดทวารมังกทําเรื่องทันเหตุเร่อราไม่ตองถเราต้ไงถูป็นที่ร่างายมันมัน้ึงมายนอกถึ็จะหต้น ตรงขั้นว่า เ, าาเป็นการทำดีในโทษทุกขความหลถ้าเราหลงติเชื่ออะไรจะตรงตปไม่ตงตัวก็ต้องต า, า, า, ายในทีน่สุดต้องมีความแก่ลงไปทุกวันก็คือจะได้อย่างนี้แล้วก็มันทาความหลงได้นะที่เรียกนะว่าการทำดีนะแต่ว่าพุทธบัคคี น, นี่มหลายคนไม่ได้เป็นการทำดีนะแล่สบายหัใจนะ แต่าบ่ า, าเขาจิกอะไรถึงาทารทำนี้ห็แนแรกจะมีความรูถึงว่าทราแนะนำคำนี้แนะนเฉพาะใจการทำนี้ไม่ต่างอะไรกันใช่ไหมอาจารยต่อไปก็เป็นเรื่องของานาคาเมียที่ถึกษาร็อรู้นะถ้านาคาเมียเป็บผู้ไปกองเรือนจะอยู่บ้านได้แต่ไม่คองเรือนจะอยู่บ้านได้ แ ต, แต่หาามายความอยู่ได้เฉยอย่างนั้นนาคาเมื่อก็ใส่สี่งตรางตัวหนึ่งาการปัิฆะสองปฏิฆะกาัปฏิฆะเ่อแ ต, แ, ตแต่ความรู้สึกคือความประทับในระหว่างเทศเขาพูดไงไ่ายตใส่ความรู้สึกไปเลยปฏิฆัอารมณ์ที่ไม่พกใจความโกรธใจสัแต่บางข้อ แต่ออามาจากฐนเนื้อตับที่สกายได้ที่เกี่ยวกับกระบวนการทางนั้นแ่า้านาคาไม่เห็นนางรกาขลอยือตอนเอวคนอื่นเขาเลยคนอไปเห็นเรื่องเขาสุนทรภกเห็นคนพักตองดูวเองพักไปเห็นจะถือหนังเห็นเลือดขับไเท่าไหร่มีป้ายว่ารู้ถึกว่าร่างกายของคนที่เราองว่าดีมันแค่ถือนรอบหนังที่เมื่อหายอยากองใช่ไห เหรือแต็เมื่อรอ่เมื่อไปให้จัดใจให้ปลอดให้จับใจให้ปลอดทั้งหมดในระเพาะเป็นต้นจีจาระในปัตตวะในอันใหม่ในอันเก่าจะเป็นความสงบสงบสงบถ้าอนาคาลีมีเครืงตัดตัวที่เราทิ้งไปจนเม่่า้กายของเราก็สงบสงบญาตกายบริเวณก็สงบการปัจจัยญาติกายไม่มีเลยทั้งนี้แสเงสุดว่ากายกายกับกายมันเป็นตัก พระสุภาษแปลว่าไประสุภาษแปลได้เสไกายละกายเรเสียละากกายนี้ไม่เสเราเเราะเราเรื่องากกายนี้มันสขุกไม่เ่อเรื่องกกายตุกุกเขาตุกกงหมดนั่นใครต้องการต้องการกรรมารก็เลิกกาต้องกาหมดกรรมานไปต่อไปข้อที่สองเมื่อสดงรรมนึงเข้าไปข้าเขา่องการ เราเ่ยเลปล่อยใจแล้าเดือดร้น so ี้เราตัดไปเรื่องหน้าผมกรเขาเขาบริหารสิเพราะว่าเป็นสื่อการเงคนอะไอสิปฏิบัติงางเนี่ยจะมีบริหาสิบวกที่ความนุ่งใใน้อยน้อยเพราะน้อนาคาบุญตั้งไม่แตกขาดเลยเพราะความก็นาคานี้ไม่มีความกระต่ดได้ระบเทศเลยจะการดีตัวเองมัมีความ เนี่ยเมื่อตนรกเนี Then, ant, ่ยผมจะกระจายทุกเรื่อบความสุขที่ก็พูดพูดอบไแล้วนะบางบางคนตอดที่ตรงนี้อ่านก็ไม่ได้ห็ือไม่ดีไมได้ตอนที่ในใจที่กว่างยิ่อยู่จะเป็นอาคาหนึ่งเขาต้องแบบนั้นนะตอนนี้จะได้ความใหญ่ยิ่งเรื่องเขาเรื่องอะไรนาคาหนึงที่ให้่ลมนะเทียนที่หน้าแคเกิเป็นอยู่ข้อเดีย ขั้นแรกคือทิ้แปดติดเรื่องก็รูว้วความเป็นวาอนาคา ร, ร, ยายราาีบางคนจะพัฒนาเป็นนาคารีไปแล้วนะเริ่เข้าไปวัฏนาคารีมักตอนนี้จิตใจไม่ตออการเิ้งห้าเห็นว่าน้อยใต่ใส่ต้องกามทิ้งแปดเพราะเคมกความเป็นจนะนี้มันว่า่านดีนะท่านอยากทำได้ไหมเนีไน่ได้ไหมดไ้มากมาไปมาก มาสอนคุณมุมๆไม่ได้นะที่ปันแฉกได้เลยได้ได้มีรูแกะใหญ่อิดมากไม่ได้เป็นข้อยังเจ็บนะตอนทีอาจารยนีตัดเสสองแล้วเป็นห้าอย่างนี่ใช่ไอยอดในติดหรือห้าอย่างไยว่าอะไรนั่นให้เ่าสุขภัยนี่เสร็จก็ใครทำแม่ทำมหยก็รู้ เลยห้าหนึ่งรูปราชะความลงไหนไปฝันในรูปใบขาดนม่มีเพราะว่ารูปราชาความหลงไหนไปฝันในรูปใบขาดนม่ ม, กกมีข้อนรูปใบใจข้อสรูปใบแดทาที่ไม่มีรูปการกลางเวลาจะมุ่งทาจะพาดทา ง, างด้วยส่วนใหญ่จเป็นารลงทีถ้าถําว่าถึงลงใต้น้าก็ไม่มดงทาย ม่อเริมานานาอาจจะก็เดิมใบใจเราก็เาแปลว่าแปลไปตํ้งมากมายเลยแต่ถึงเมื่อคนที่นาคาไปแล้วคนไปแล้วจะเท่าไรสมัครก็เริ่มตัดที่ของตัวแรกคือรูปไปกายากับรูปใบชาเขาว่าตัดไม่จะมายว่าทิ้งรูปใชาในรูปชาไม่ใช่นไม่ทิ้ไปนะยังรักษายอยู่ให้ตรงตัวตวงรงกับสมญา แต่ไมู่้อะไรไปฝร่รูปฌานะรูปฌาะขอพิจิตรอไรย่าีไม่พิจิตรมีเลิกแค่รูปปานกับรูปฌานยิ่ไม่ได้มีเลิกเพราว่าเป็นกำลังเพื่อทำจิตให้แกจิตจึงมีแรงแตกที่เท่านั้นขั้นต่อไปก็ตัดมานการหตัวหรือตนท่านเห็นว่าเขาดีกาเราเขากับัติเขาดีกว่าเราไม่ไม่ดีหรเรา เป็นว่าคนคือคนร่างกายคือร่างกายจะมีธนระในเวลาในการารที่สองเหมือนกันจะมีกายเกินเต็มจะตายเหมือนกันคือว่าไม่ได้เดือดในชั้นจะได้ไม่หลงในรูปของเขาจะไม่ติดในรูปของเขาไม่หลงในร่างกาของเราไม่ติดในร่างกายของเราในร่างกายของเราต้องในการการที่สองเขาก็องในการการที่สอง เขาเกิดใจเกิดใกิใจเแล้วเรื่องเกิดใจกใจอย่างนั้นพันี้สภาพแปรปั่นต่อไปก็ตัดเลือจากอารมณ์ผู้สร้งไม่ตงคิดว่าจิตที่อยากเห็จะยาเกิดบนบันเทิงก็ดีอยากเกิดบนโลกก็ดีอยากเกิดบนโลกดีไม่มีมีจุดเปลี่ยนไปไม่ได้ใครกิดอารมณ์ต้องใครเกิดรับพันธุ์ชาแตัวสุดท้ายก็ตัดอันผ่าน ธชาตคือธรรมชติตกราคาธรรชาิในคัจจาว่าธรรมชาติมีสองตัวคือธรรมชาติตกราคาธรรมชาติมีความพอใจในโลกในโลกในงลกไม่มีราคะเป็นวสาโลกในโลกในโลกไม่มีตอมีความต้องลายสุดเดียวคือผายไปนะไปแะ ก็ไปรืองว่าจบคืออะไรน้นี่่คอยน้อนอีกนิดหนึ่งยไดนไปอองมาต่อะสโชชาบันตัดกัยรดอีกสามหนึ่งจะตายได้ที่สีมีความรู้นหร่างกาย้ต้องตายต้องวิจิตากไม่โสายพุทธเจ้าในพราทรรมในพระอริยสงฆ์การที่เราตัดปรมาสภักษาเป็นด้วยันไหมยนี้เป็นโชชาไปก็จะมิกาขามี ตลอดพระอนาคามีิสอคือกาม่ฉันทะดความรู้สึกในสารวุธุปรวัดความรู้สึกในครามความแม่ปนใจเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็ทังเ็นมาอาศัยบุญกรรมบังคับคนทุกคนอยากดีจะทาดีไม่ได้ลูกสมกันกรรมที่รน้ารับมาถ้าบุคนก็ดนใจก็ทาความดีอังคนก็โดนใจก็ทาความชั่อะไรกกร สำหรับภาระนกตัดทุนภาระคือไม่หลงแม่โลกประชานไม่หลงแมอรุภะชานไม่ถือตัวไม่ถือตนไม่ที่อารมไม่รลท่านมุ่งนิพพานในอรมณ์แล้วก็ไม่ถึงน้องริโรธคือโลกอารมโลกโดยส่อนตัวน้ำหน้าอยู่หน้าอาศัยจิตใจต้องการจุดเรียวคืานิพพานเราเป็นเพราะว่าภารันมากจิตใจมนถึงไม่เป็นธรรมดาหมด คือเราเราเห็นหมดธรรมดาทุกอย่างอะไรก็ตามทั้ในเ่วงใมม่ช่ก็ธรรมดาจอมทัพทั้งหมดภาพเกิดขึ้นรู้ว่าเกิดข้ามแก่เข้ามาถึงก็ไม่รู้รู้ได้วันจะแก่ข้ามป่วยเข้ามาถึงก็ตายแต่พระเจ้าประการมี้ยึดถือมันต้องป่วยการทักได้เรียวว่าขอเจริญมีขึ้นหรือว่ ข, ข, ข, ข, ข อ, ขอธรรมดาความตายเข้ามาถึงมดดุกตีตายจะไปที่ไหน เมื่อนิพพานกระจกธมกายแก่โยบตรจักรพุทธสัทวนี่ก็ไม่ไหวเป็นดีตอนสี่ไปเราตั้งใจทำงานางหรือทงานทางเาติองอาั